หลวงตาบอกว่าก็ให้พุทโธพุทโธไปครับเพรา่าถ้ามีอะไรก็แค่ให้รู้แล้วก็อยู่พุทโธไปเป็นเป็นเป็นฐานไว้ครับแล้วพอกลับไปก็พอกลับ <c oughs> ไปทางโลกมันก็มี <c oughs> เรื่องมากระทบหลายเรื่องครับก็รู้สึกว่าตัวเองแบบหุดหงิดง่ายแล้วก็ฟุ้งซ่านง่ายครับหลวงตาแล้วบางทีมัน ก, มนก็มันก็โดนลากไปเรื่อยๆครับนะครับ <c oughs> <ược. S 2> ก็ยังไม่มีกำลังพอที่จะแบบ ตัวขึ้นมาครับไม่เออกล้าต้องเข้าใจสูงขึ้นไปอีกว่าวิญญาณนะแต่แท้ตั้งเดิมแท้ที่เรามาเกิดเนี่ยจิตวิญญาณตั้งเดิมแท้แท้มันเป็นความว่าเพราะตนไม่มีมันจึงไม่มีว่าไอ้จิตตั้งเดิมแท้ตัวเราตั้งเดิมแท้แทที่มันมันเป็นวิญญาณตั้งเดิมแท้เนี่ยมันจึงหลงไปเป็นอะไรได้หรือเราต้องพยายามไป มันยังเคลื่อนไหวไปเป็นนู่นไปนี é, ่ได้เราต้องยืนพื้นที่ใจเลยว่าใจไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยใจหรือจิตวิญญาณตั้งแด่ตแต่เนี่ยที่มาเกิดเนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยมันเคลื Whole ่อนไหวไม่ได <T> ้กระเพื่อมไม่ได้ไหวตัวไม่ได้ไอ้ที่มันไหวๆๆทุกขณะปัจจุบันอะปล่อยมันเคลื่อนไหวคือดับในความไม่เคลื่อนไหวเนี่ยเราไม่ต้องว่าไม่ใช่ว่าเพราะต่ไปตัวเราหลงไปอีกแล้วไอ้ตัวเราไปมีเราไปแล้วตัวเราไปเป็นงื่นตัวเราไปเป็นอย่างนี้อันนี้มันไม่ใช่ตัวเราจริงๆไอ้ตัวนี้มา แต่เราแต้แนี irit, basket, enrolled, ่ยคือวิญญาณแต้แต้ไม่เคยไม่เคยดับไม่เคยแตกไม่เคยทำลายอาวุธใดๆในโลกฆ่าไม่ตายนิพพานก็ฆ่าไม่ตายเพราะว่ามันมีแต่ความว่างตัวตนไม่มีนิพพานนะฆ่าได้แต่ความทุกข์ฆ่าได้แต่กิเลสแต่ความทุกข์แต่ฆ่าจิตเดิมแท้ไม่ได้ฆ่าวิญญาณแต้ได้ได้เพราะว่ามันมันมีแต่ความไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยเพราะนั้นพอฆ่าความทุกข์กิเลสหมดแล้วมันมีแต่ความว่างเปล่าตัวตนไม่มีอะไรมีฆ่าได้มันฆ่าไม่ได้ เราต้องเราจะหลุดเพิ่มนจะได้คือเราต้องอยู่ในใจเราโดยแยบคายตลอดเวลาเรานี่เคลื่อนที่ไม่ได้ก็เพื่อไม่ได้หวตัวไม่ได้ไม่ปรากฏอะไรเลยมีแต่ลุกทุกอย่างก็เพื่ออยู่ในความไม่ก้าวเพื่อมันจะไหวตัวยังไงไม่ใช่เราตะพึตะพื้มันจะคิดจะนึกจะตึกจะตองจะมีอารมณ์จะสบายใจไม่สบายใจจะวุ่นวายไม่ใช่เราตะพึ่งตะพื้ไม่เป็นใจอย่างเดียวเป็นใจเป็นใจเราก็ทํางานทุกอย่างในเต็มที่เลยใช้ชีวิตตามปกติเต็มที่ทํากิจการงานประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไดเต็มที่ แต่ต้องเป็นต้องยืนต้องมีใจที่ไม่ปรุงแต่งไม่กระเพื่อไม่ไหวตัวตามอะไรไปครับตอนนี้มันติดไปกับอารมณ์เลยครับเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเค ย, เยใจผิดไอ้ที่ติดไปกับอารมณ์ได้ใจเนี่ยใจหรือติตวิญญาณั <จบ S 2> ้าเดิแท้มันติดไปกับอารมณ์ได้ไหมก็ได้ครับเออไม่ได้เราไม่มีปัญญากํากับว่ไอ้ที่ติดไปไม่ใช่เรามไอ้ตัวคิดก็ไม่ใช่เราแต่แท้ไอ้ตัวคิดก็เป็นตัวสังขารปุงแต่งไอ้ตัวที่ติดไปก็เป็นตัวสังขารุงแต่งครับ แต่เราเนี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้ไป <ผม S 1> ตัวไม่ได้คิดไม่ได้มีลามไม่ได้ครั บ, รบเราต้องมีปัญญาตัวนี้กํากับครับตลอดเวลา24ชั่วโมงยกเว้นแต่หลับไปครับคือมันคิดตัวนี้นเราก็ไม่แต่เรานั่งซ้วมอยู่นะทํากิจาการงานด้วยมันก็คิดมันคิดนี่คิดนี่นี่นแต่เราต้องมีปัญญากํากับว่าความคิดเหล่านี้ไม่ใช่เรามันเป็นตัวปรุงแต่งไม่ใช่เราไม่ใช่เราเป็นตัวปรุงแต่งไม่ใช่เราไม่ใช่เราเป็นตัวปรุงแต่งตลอด อะไรก็ตามที่มันคือเพื่อใมได้ไหวตัวได้คิดหนึ่งกันตอนนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่เราเราแท้ๆคือเคลื่อนที่ไม่ได้ไหวตัวไม่ได้มันเหมือนกับเป็นความว่างของห้องเนี้ยแต่ไม่ใช่ว uh ่าเราไปแช่เป็นความรู้สึกของว่างคือเราไม่ปรากฏอะไรเลยไม่ใช่ว่าเป็นความรู้สึกว่างไปแช่ดี่มันสื่อคือไม่ปรากฏอะไรเลยไอ้ที่ปรากฏได้ไม่ใช่เราสักอย่างเราเนี้ยไม่ปรากฏอะไรเลยมีแต่รู้อย่างเดียวว่าว่าเราเนี้ยไม่ปรากฏอะไรเลยไอ้ที่ปรากฏทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่เราสักอย่างวางไปหมดปล่อยไปหมดก็รู้ว่าตัวเองแบบ ขี้หุดหงิดคหลวงตาแล้วพอมันกงุหงิดขึ้นมามันแทนที่จะแค่รู้มันก็แบบหุดหงิดไปยาวอย่างเงี้ยครับ <d> ew, เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋วไม่เข้าใจเดี๋ยวได้ที่พูดนี่ก็ยังกล้าก็ยังเข้าใจผิดเดยอะที่กล้าบอกว่าแค่จริงๆก็คือหลวงตาบอกว่าก็แค่รู้ว่าหงุดหงิดแล้วมันก็จะความหงุดหงิดมันก็มันก็เกิดขึ้นมาแต่มันก็จะดับไปเองเออแต่ต้องมีปัญญา ก, กำกับด้วยไงมีป<ฆ>ัญญาขั้นสูงสุดกำกับได้ ว, ว่าเราแท้ๆหงุดหงิดไม่ได้ เราทแท้ๆเนี่ยเป็นวิญญาณทแท้ๆเนี่ยหุดหงิดไม่ได้มีอารมณ์ไม่ได้อะไรก็ตามที่มีมีอาการได้ไม่ใช่เราทั้งหมดอ่ะมันเป็นสังขารเป็นขันห้าเป็นจิมปงแตง่งผมปล่อยวางให้หมดเราก็เดี๋ยวก็เกิดอีกมีอาการก่มีอาการนี้อีกแล้วก็อาการแล้วก็เหมือนกับบอกไม่ได้เล่นแต่เราบอกตลอดเวลาว่าเนี่ยบอกไม่ได้เล่นแต่เราบอกไปบอไป่บอยบบ่อย พอตลอดเวลาแม้แต่เราอยู่ในนั่งเราอยู่ในห้องส้วมทํานู่นทํานี่ก็ได้กันมันมีอะไรสังขารอะไรขึ้นมาในใจเดือดๆก็ยึบก็ยึบก็ยึบๆเราก็บอกมาเรื่อยๆวันนี้มันสังขารทางงานสังขารทางงานสังขารทางงานสังขารทางงานเราแท่ๆสังขารไม่ได้เพราะเราแท้ๆไม่ไม่มีอะไรสังขารได้ก็วางไปวางไปวางไปวางไปวางไปวางไปมันก็จัดการเป็นใจที่ไม่สังขารแต่ก็ชีวิตก็ทํางานตามปกติจนกว่าจะตายก็เข้าใจที่หลวงตาสอนนะแต่พอเขากลับไปในโลกมันก็ เมื่อสติมันยังไม่ไม่แข็งแรงพอสติปัญญาไม่ค่อยกำกับไม่แข็งแรงพร้อมก็เลยแบบก็ไหลไปตามถูกต้องคือเราจะไปเอาไอที่ไหลก็ไม่ใช่ไหลแล้วนะคือเราไม่ไม่ได้เอาสติปัญญากํากับทุกอาการที่มันปรากฏว่าเราไปเอามันเป็นเราจริงๆเอาไปตัวเราจริงๆอเราไปเอาไอ้ตัวที่มันสังขารได้ก็เพิ่มได้เป็นตัวเราเราไม่ได้มีสติปัญญาไปกำกับกำกับมันไว้ครับผมเราต้องกำกับทุกอาการเลยเราพอต้องกำกับไม่บ่อยๆมันก็จะไม่ ไม่สังขารค<ถ>รั ม, มันก็จะเราจะไม่รู้มันเป็นตัวสังขารก็จะเป็นวีสังขารมือตัวใจที่ไม่สังขารครับมันือง ม, มันยังไม่มีกําลังมากพอสติมันก็พอแทนที่จะแค่รู้มันก็แบบหลุดไปเลยครับเอเอไ อ, อแค่รู้เนี่ยมันแค่สตินะครับแค่รู้แค่รู้รเราเราพยายามสกัดมันไว้ให้แค่รู้แค่รู้แต่มันต้องมีปัญญาขั้นสูงสุดว่าเราตัวตนไม่มีสังขารไม่ได้ไอที่สังขารไม่ใช่เราครับแค่รู้เนี่ย ต้องมีปัญญาขั้นสูงสุดระกํากับอีกชั้นหนึ่งว่าทุกขนาปัจจุบันเนี่ยเราจะพยายามไปฝึกแค่รู้ทุกขนาปัจจุบันเนี่ยที่เราไม่ได้กระทบอะไรเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยมันมีไหวๆไวๆไหวๆไหวๆไหวๆไหๆเราต้องมีปัญญากํากับไอ้ที่ไหวๆไม่ใช่เอาทั้งหมดไม่ใช่ว่าเราไปฝึกกระทบแล้วแค่รู้เนะไม่ใช่นะคือทุกขนาปัจจุบันที่อยู่บ้านเนี่ย ในใจมันมีอะไร ไ, วไหวๆววขึ้นมาทุกคิดทุกดึกทุกตึกตทุกตอนทุกอารมณ์ทุกกิยาการไหวๆขึ้นมาเรานั่งคิดอลไรอยู่เนี่ยนั่งคิดอะไรเราต้องมีปัญญากํากับไว่ไอ้ที่เราคิดอยู่นี่ไม่ใช่เราหรอกกืเราเนี่ยมันไหวตัวไม่ได้ได้แต่รู้อย่างเดียวว่าไอ้นี่มันมีการไหวขึ้นมาเราได้ไหวตัวไม่ได้ได้แต่รู้ว่ามันมีอะไรไหวตัวขึ้นมาแต่ก้านเนี่ยไปฝึกตอนนี้พยายามจะฝึกให้มันสักแต่ว่าสักแต่ว่าทุกอาการทุกกริ ย, ยอาการอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจไหม กับนี่เข้าใจไปเข้าใจเดี๋ยวทวนหน่อยดี๋เอาต้องเข้าใจหน่อยก็เหมือนกับว่าพอมีความคิดขึ้นมาเนี่ยก็คือเหมือนกับก็ให้รู้ว่าอไอ้ที่คิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ไม่ใช่สังมันคือเป็นแค่สังขารเมื่อเกิดขึ้นมามันก็ดับไปเอออย่างเงี้ยต้องคอยกํากับแบบนี้เนี่ยเราสังขารไม่ได้สังขารทั้งหมดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเราสังขารไม่ได้ต้องคอยกํากับมันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปฝืนแค่สักธรรว่าแค่สักธรรว่าแค่เรไม่ได้นะไม่ใช่ก่อนมันฝืนแค่มัน แค่ตอนไม่ช่ไม่ใช่อาเอาเาเอาเอาตอนี่ก็หลงตาสมัยก่อนเอาตรงนี้เอาตรงนี้ตรงนี้เข้าใจไหมครับเออก็คือต้องคอยเตือนตัวเองตลอดเวลาเออใช่ใ่ต้องต้องคอยเตือนตัวก็ต้องพอมันเตือนบ่อยมัน็ัโนมตินานๆก็มันก็เป็นอัตมัมันก็เลิกเตือนแล้วมันก็มันก็รู้สึกไปจากใจอย่างนี้เวลาเวลาเดินจงกรมเนียครับะหลกตาก็คือก็คอยบอกตัวเองไปเรื่อยๆแต่ต้องต้องบอกกับอาการที่เกิดขึ้นในใจจริงๆนะไม่ใช่บอกไปเรื่อยๆว่า หลายคนฝึกเราไม่มีตัวตนเราตัวของเราใหม่มีเราไม่มีตัวตนตัวตนของเราไม่มีอันนี้ไม่ใช่นั้นฝึกแบบนี้ผิดคือมันต้องบอกกับไออาการที่มันเกิดขึ้นน่ยบอกกับอกมันด้วยรู้ทั้งรู้ทั้งเห็นต้องต้องบอกมันว่าไออาการทั้งหมดเนี่ยมันสังขารทางนั้นแหละเพราะว่าเราอ่าสังขารไม่ได้ตัวตนไม่มีมันสังขารไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่มีตัวตนเป็นจิตเดินเป็นแท้ที่ตัวตนไม่มีก็เพื่อไม่ได้ไหวตัวไม่ได้อะไรกระเพื่อมได้ไหวตัวได้นี่ไม่ใช่เราทั้งหมพอจิตมันมีอะไรกระเพื่อมหรือว่ามีความคิดขึ้นมาก็แค บอกมาสอนบานบอกมาสอนบานไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มันเป็นที่ใจเลยแล้วยังต้องพุทโธอยู่ไหมครับหลวงตายังต้องพุทโธอยู่ไหมครับไม่ต้องเอาตัวรู้นี่เลยครับไอ้ตัวรู้เนี่ยคือพุทโธนะถ้ารู้ละปไปอวางนี่คือพุทโธพุทโธพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือไม่ไปยึดอะไรให้เศร้าหมองคือปล่อยวางหมดรู้รู้ละปล่อยวางรู้ละปล่วานนี่คือพุทโธจะเหนือกว่าคําบริกรรมพุทโธครับผมอยู่กับรู้อยู่กับรู้นี่กับรู้ว่ามันเป็นสังขารเราเนี่ยสังขารไม่ได้ ถ้ากลับบ้านไปก็คือเวลาหงุดหงิดก็แค่เปลี่ยนใจว่าอันนี้เป็นอารมณ์หงุดหงิดเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมามันเออมันก็ไปสังขารแล้วก็สังก็ดับไปสังขารไม่ได้ครับแต่เราไม่ต้องเราบังคับมันไม่ได้เออไปบังคับไม่ได้ไม่ใช่เราไปบอกมันนะหลายคนทาผิดคือบอกมันเพ่อใมันดับไปอันนี้แสดงว่าไม่ใช่เรากลายเป็นวเราเนี่ยกลายมีตัวตนเราจะทําให้มันแล้วเรามีตัวตนกลายเป็นตัวเราเนี่ยไปพยายามแอคชั่นมันได้เข้าไปดับมันได้เราดับไปแอคชั่นไม่ได้แต่รู้อย่างเดียวอะ อย่างเงถ้าเราบอกมันว่าพอมีอาการอะไรเกิดขึ้นบอกมันเพื่อบันดับไปไอเดียอารมณ์เงี้ยมุดเงียนเงี้ยมันไปสังขารเราบอกมันเพื่อบรรดับไปอันนี้ไม่ใช่นะมันกลายเป็นว่าไอตัวเรานี่เข้าไปแทรกแซงกลายเป็นตัวเราเนี่ยสามารถแทรกแซงได้ไม่ได้เป็นธาตุรู้ธาตุรู้เนี่ยมันแทรกแซงไม่ได้มันมีแหละมันมีบางแท็กที่หลวงตาสอนไปที่บอกว่าเราแท้ๆหรือจิตดังเดินนะเป็นธาตุรู้ไอธาตุรู้เนี่ยมันทําหน้าที่คล้ายๆกล้องโทรทัศน์วงจรปิด คาดดูแต่แท้เนี่ยเราแท้แท้ดังเดิมแท้แท้เนี่ยที่เรามาเกิดเนี่ยมันทําหน้าที่คล้ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดคือมารู้อะไรก <oa> ็รู้ว่ารู้ไอ้จิตที่เคลื่อนไหวตามความเป็นจริงแต่ไอ้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเนี่ยเราเนี่ยเหมือนต้องกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่รู้จิตเคลื่อนไหวแต่ไอ้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเ่ยมันเคลื่อนไหวไม่ได้แต่มารู้ว่าจิตเนี่ยเคลื่อนไหวแต่ไอ้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในโลกเนี่ยมารู้กายเคลื่อนไหวรู้ร่างกายเคลื่อนไหวเขาติดไว้ มีโจรเข้ามามีใครมาลักของมีใครมาเดินหยิบของอะไรไปหรือไม่นะคือมันมันมันดูของมันดูรูปร่างที่เคลื่อนไหวแต่ไอ้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนไหวตัวตมันไม่มีแต่มันมารู้กายที่เคลื่อนไหวแต่ไอ้ไอ้จิตเดินมาแทะหรือวิญญาณตั้งเดิมแทะเนี่ยภาษาแต่ว่ารู้รู้อย่างเดียววิญญาณแปลว่ารู้ไม่ใช่แปลว่าผีวิญญาณเนี่ยรู้เหมือนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ไอ้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของทารู้เนี่ยมารู้จิตเคลื่อนไหวด้วยรู้กายเคลื่อนไหวด้วย กายเราหายใจกายเรามีกิยาการใดๆจิตมันคิดอะไรตอนปรุงแต่งยังไงไอ้ไอ้รู้เนี่ยมันเหมือนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมันเคลื่อนไหวไม่ได้แสกแสงไม่ได้ไอ้ที่เราพยายามไปพูดถ่าอาการมันดับไปเนี่ยไอ้กล้องโทร ท, รทรัศน์วงจรปิดมันทําไม่ได้แล้วแบบเ น, นี้ยมันได้แต่รู้อย่างเดียวอันนี้คือปรุงแต่งมาบอกให้หยุดเออปรุงแต่งก็แต่ปรุงแต่งก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ที่มันดับไปก็คือแค่แค่ให้รู้อย่างเดียว เอเหมือนเหมือนกล้องทาที่เหมือนกล้องโททันวงจรปิดเนี่ยะก็ไม่ต้องไปห้ามมันมันก็จะจิตมันจะไอ้กล้องโททัวงจรปิดมันห้ามไม่ได้แทรกแซงไม่ได้แต่มันก็ก็รู้ว่ามันก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าบางทีมันบางทีมันก็แบบไหลตามไปกับเดี๋ยวก่อนเดีก่อนดวก่อนเยวก่อนดยก่อนไอ้การกากระทำผิดไอ้ที่มันไหลตามไปเนี่ย กล้องโททัศน์วงจรปิดเนี่ยคือธาตรู้เนี่ยเหมือนกล้องโททัศน์วงจรปิดมันไหลตามไปได้ไหมไม่ได้ครับเออมันไหลตามไม่ได้แค่ให้รู้อย่างเดียวหลวงตาแต่มันก็เหมือนทำหน้าที่เหมือนกล้องโทรทัศนวงจรปิดนะฮะอันไหนมันไหลไปก็ไม่เชื่กูเนี่ยว่านี้ไม่เจ๊กกูกูก็ต้องมันก็ต้องมีสติจะรู้อย่างเดียวให้ได้ว่ามันไม่ใช่เราใช่แต่ปัญหาคือมันสติมันยังไม่แข็งแรงพอที่จะแบบแค่รู้พอแค่รู้อีกแดีเหรมันจะแค่รู้ก็ต้องมีปัญญากำกับมันถึงจะไม่ติดไปกับอะไร มีปัญญากำกับปัญญากกับว่าสังขารทั้งหมดไม่ใช่เรารเราไม่อาจสังขารได้เหมือนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมันแจกแสงไม่ได้พยายามไปดับอะไรไม่ได้ทำหน้าที่ได้แต่รู้แล้วก็รู้อะไรก็ร่วมีนอารมณ์ขึ้นมาไม่ใช่ว่าพยายามดับอารมณ์ได้รู้มีอาการหมดจิดรู้การอะไรก็ไม่ใช่ว่าไปดับมันได้นะดับไม่ได้ มันรู yes <later> ้เนี <secure> like ่ยมัน horse ทําหน้าที่รู้อย่างเดียวไปดับอะไรไม่ได้แทรกแซงอะไรไม่ได้ได้แต่รู้อย่างเดียวแล้วก็รู้ต้องรู้ปัจจุบันด้วยเหมือนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอะมันไม่ใช่ไปรู้มันไม่ใช่ว่าไปรู้ไอ้สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นหรือรู้สิ่งที่เกิดไปแล้วมันก็รู้แต่ปัจจุบันที่อะไรเดินผ่านมันนั้นดวงตาจะเปรียบเหมือนว่าไอ้ธาตุรู้เนี่ยวิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้มันทําหน้าที่เหมือนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมันต้องรู้จิตขณะปัจจุบันไม่ใช่ว่าไม่รู้จิตในอดีตไม่ใช่ไปนััจจุบ เหมือนกล้องโทรทัศน์วังจำปิดมันก็ไม่รู้ใครเดินผ่านในปัจจุบันมันตึ้งมันตึงเห็นเข้าใจไหมครับ<ะ>